ต้งเป็นนะกา <c oughs> ได้ยินได้ฟัง <c oughs> เป็นมงคล <c oughs> เป็นพระหูสรสดางก็บฟังเรื่องของเรานี่แหละ <c oughs> เรื่องของเราก็เรื่องของกายของใจ <c oughs> เราใช่กายใช่ใจผิด <c oughs> เราหลงมันจะมีความหลง เราโกรธเราจะมีความโกรธเราโลภก็<ล>กมีความโลภเราทุกข์ก็มีความทุกข์นันเรียก ว, ว่าผิดต้องแก้กรรมเรียก ว, ว่ากรรมาฐานเคยเคยหลงมาจังหลงเคยทุกข์มนจังทุกข์ ถาจะมาฝึกกรรมฐานกันกรรมเคยที่ตั้งฐานฐานเคยที่ตั้งกรรมคือการกระทากรรมฐานแค่แค่กรรมที่ทามาได้เวลามันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเพราะเราเห็นมันเราไมีสติ ให้ที่ต้องให้การกระทบไปในกาย <c oughs> มีสติไปในกายอะไรเกิดขึ้นกับกายเราก็จะต้องเห็นไม่ได้ตั้งใจมันมาเองต่งางอย่างก็ตั้งใจเพราะไม่รู้มันจังเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเราจึงให้มีสติ โให้มันเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกอเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมีสติโตตอทักท้วงเวลานี้ไม่ใช่มานั่งโศกนั่งทุกข์นั่งคิดแต่มามีสติมีการกระทามีที่ตั้งเอาไว้ ให้มันเป็นปัจจุบันถ้าไม่มีที่ตั้งมันไม่เป็นปัจจุบันมันไปข้างหน้ามันคืนข้างหลัง ม, มันเคยมันเคยมีสัญญามันติดตามันยังแสดงออกมา เคยหลงก็แสดงความหลงเคยโกรธก็แสดงความโกรธเคยทุกข์ก็แสดงความทุกข์ออกมามันติดมันเป็นกรรมอย่างเวลาใดาที่มันหลงให้มันรู้ก็ารู้ถ้าหลงมันรู้แค่กรรมมันหลงเท่ารู้เท่นั้นเพราะเราปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยน เปลี่ยนลายเป็นดีเปลี่ยนถูกเป็นเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกขเป็นไม่ทุกอันนี้ต้องหัดทําให้มันเป็นีนเราต้องหัดถ้ามีภาวะที่รู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ใช้ถ้าไม่มีภาวะที่รู้ไว้ก่อนก็ไม่มีความรู้ใช้ ถ้าหลงก็เป็นหลงไปเลยเงินเราไม่มีเงินไม่มีทรัพย์เวลาหิวข้าวก็วไม่ข้าวกินเพาไม่มีอะไรใช้ไปซื้อข้าวมาบางอย่างเราทำไม่ได้ต้องหาว้เพราะไม่เพราะไม่เคยหัดหัดไม่เป็นเราจะมาหัดกัน ให้มันรู้ไวเป็นฐานเป็นที่ตั้งไว้ก่อนเพื่อจะได้ใช้กวามหลงอันหนึ่งความรู้อันหนึ่งคนละอย่างกวามทุกข์อันหนึ่งความรู้อันหนึ่งความสุขอันหนึ่งความรู้อันหนึ่งความโกรธอันหนึ่งความรู้อันหนึ่งอันมีคนละอย่างเรีกว่ากรรมดำกรรมขาวกวามหลงเป็นกรรมดำความรู้เป็นกรรมขาว เปลี่ยกรมดำเป็นกรรมขาวให้หมันคนละอย่างสัมผัสตัวอัดสัมผัสไม่ใช่คิดหลงเป็นยังไง ร, รู้เป็นยังไงทุกเป็นยังไงไม่ทุกเป็นยงไงโกรธเป็นยังไงไม่โกรธเป็นยังไง ให้สัมผัส ด, ดูจะได้คําตอบอเองเรามันหลงลู่ที่เลิกอาจจะไม่รู้ไม่สัมผัสเท่าไรผิวเผินถ้าหลงทีใดลู่ที่นั่นไปเรื่อยๆมันจะต่างกันมากคนละมุมเหมือนหลังมือหน้ามือเงิอนอันหนึ่งนืดอันหนึ่งสว่างมันใช่ได้มันเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรม ความรู้จากตัวเป็นธรรมกว่าจะรู้จากเลือกชีวิตเราถ้าหัดเราเลือกได้ถ้าไม่หัดไม่รู้จากเลือกโผล่แตกันไปเราจะมาหัดแกนว่าวิชากรรมฐานแม่จะรู้อะไรมาก็ต้องหัดเอาไว้ก่อนเหมือนพระธิธาลูกมาทั้งเจ็บเจดสาด ยังทำแ ล, ล้วเปลนกับใครกับใจมีแต่ความรู้ออกไปข้างนอกเจตศาสตร์อะไรต่างๆรัตศาสตร์อะไรต่างๆไปโน่นไม่ได้มาหัดมันก็แย่มาได้ยอมทุกข์ไม่มีอะไรมาแช่นอกจากสติปัญญาเอาเงินมาใช้แก้ก็ ไ, ได้ เวลามันกโกต้องกามาจ้างก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องการฝึกหัดให้มีสติจงจำเป็นจึงมีวิชากรรมฐานเรียนตามข้อตตามโพก็ศีลธ ร, รถาฝึกอย่างนี้มีมีมีมสวดไปอย่างนี้สวดชีวิตเรียนให้มันจบ ให้มันรู้แจ้งไม่เลยมีความรู้ความคิดไม่ต้องใช้สมองเป็นการกระทำลงไปให้มันจะเอกันหลองอนหนึลู่อ่อ น, นึ่งทุกอ่อ น, นลู่อ่อ น, นมันมันมาพร้อมกันแล้วก็เปลี่ยนมันพร้อมกันอย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้โกรธเป็นโกรธให้ไม่เปลี่ยนภาวะที่รู้ มันจิงจะเป็นมันจึงใช้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนขนาดที่มันไม่ถูกข้ามันเป็นถูกมันก็ใช้มาได้มันก็ผิดเรื่อยไปผิดก็ผิดไปแต่พื้นตะเเอไปไกลผิดที่การกระทําของเราก็ผิดอีกอีกหลายอย่างไป เป็นผลกระทบไปเรื่อยๆไปเราจะมาหาดหัดเราเองด้วยไม่มีใครช่วยเราได้ความรู้เราก็า ม, มีความรู้เองเราก็าเอาใจเรานี่มาเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อความรู้เคื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกแค่ในความรู้ไงไม่ผี่ตั้ง อย่าหายใจเที่ยงเปล่าๆจับจุดใดจุดหนึ่งให้มีความรู้สึกตัวไปกับบริวัที่เกิดกับกายกับใจจึงจะเป็นการชินกรรมเปลี่ยน บ, ยบย่อยๆเปลี่ยน บ, ยบย่อยๆเปลี่ยนผิดเป็นถูก บ, บ่อยๆเปลีนหลงเป็นรูป บ, บ่อยๆมันก็จบเป็นมันามน้ม อ, งองงาเหมือนแับ อะไรที่มันแก้ไม่ได้มันมีคู่อยู่บางอย่างแล้วก็แก้ไม่ได้เพียงแต่เราลูกได้ปัญญาจากมันเช่นความไม่เที่ยงมันแก้ไม่ได้รวมเป็นทุกข์ที่มันเป็นธรรมชาติมันก็แก้ไม่ได้ไม่เห็ รลนมันก็ร้นแม่หนามันก็หนาวนั่นก็เป็นส่วนที่เราจะต้องบันเทาได้อยู่อันความโกรดนี่เอาอะไรมาแค่ก็ไม่นด้นอกจากสติตันยาต้องหัดไม่ต้องใช้หัวคิดสมองเหตุผลได้เวลาเพลินขัน ไม่เฉพาะเรื่องไปก่อนอย่าให้มากเอาอันนี้มาต่อรองอันนั้นมาต่อรองมันก็ไม่เข้าถึงเนื้อถึงตัวแอามาเข้าถึงตัวเมื่อเห็นงูจึงหลกงูได้เห็นหนามจึงพ่นจากหนามเราจะมาฝึะนัดกัน ถ้าหัดให้มีภาวะที่รู้แล้วมันก็ไปเรื่อยไปถ้าหลงเป็นรู้ถ้าทุกข์เป็นรู้มันมาเช่อยู่แช่นี่เมื่อเราเปลี่ยนอะไรแล้วมันก็เป็นอะไรดีต่อไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณสะดวกอะไรที่มาเกิดขึ้นเหยียนอันหนึ่งเห็นอันหนึห่งเป็นหมวดเป็นหมู่ไป ไฟผิดไฟถูกต่างอย่างลู้อย่างเดียวไปกันถ้ามันมียานมีปัญญามีเหมือนแสงสว่างแสงสว่างน้อยก็เฉดเชดเล็กน้อยจะวางใหญ่ใหญ่เชนวงอาทิตย์ก็ลู่แจ้งโลกจะติปัญญาของเราเนี่ก็เช่นกันถ้ามีมาก แล้วก็เป็นแสงสว่างเป็นปัญญาเป็นฉินเป็นสมาธิปัญญาก็หลงจัดความมืดไปสมาธิก็หนักแจ น, นไปมีพลังฉินก็ลอโคอกเหมือนลวเหมือนกำแพงอะไรจะตะลุก็ามาไปได้ เพราะศินรักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาไม่เกิดทุกข์เกิดโทษมันจิงจะไปถึงมอกถึงผลมันไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดต้องมีต้นมีท่ามกลางในที่สุดเราจะมหาดำมานเริ่มต้นด้วยการมีสติไปก่อน ถ้าหัดแล้วไม่ต้องทาไม่ต้องหัดอีกเพราะมันเป็นงัอนพระอรหันพระราารพระรุทธเจา้าพระเหล่าสาวกถ้าหัดแล้วเป็นแล้วไม่ใช่ขนขวยเพื่อเรื่องตัวเองไม่ได้ขนขวยให้กับตัวเองอะไรก็ตามขนขวยเพื่อสิ่งอื่นวัตถุอื่น จึงเกิดประโยชน์จึงเกิดมีาศาสนามาถึงพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าได้บวชขึ้นเพิอมทพธธรรมคำสอนได้แสดงได้ประกาศมีผู้ลู้ตามเห็นตามแล้วก็มีหลักฐานอยู่ มีตำลามีแผนที่ไม่ใช่เราสูงสี่สูงห้าต้นเดาหาไปจับหลักได้เลยมีกายอยู่มีใจอยู่ก็มีสติลงไปที่กายลงไปเริ่มต้นตรงนี้กันตรงนี้เป็นต้นเติมต้ น, เ ป, นเป็นที่เริ่มต้น ถามันเริ่มต้นตรงนี้ก็ไปไม่ได้โซ่ไม่เชื่อควจไม่ไขไมันไม่หลุดมีกายมีเวทนามีจิตมีธรมรมกายก็คือร่างกายนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นก็เกิดที่นี่ให้หัดตรงนี้ก่อนอย่าอากายมาเป็นตัวเป็นตนจึงได้ที่เกิดขึ้นกายที่เห็นแล้วก็มีอาการหนังต่าง เวลาเราดูก็เห็นแน่นอนอย่าน้อยเห็นความหลงนอกจากความหลงที่มันเป็นจริงที่ไม่ถูกต้องเราเคยใช้หลงคิดหลงทางกา ย, ย ก, าาา ก, ก็เรียกว่าหลงถ้าโศกท้อทุกข์ก็เรียกว่าหลง เป็นผู้ร่อนผู้หนาวก็เรียกว่าหลงถ้าเห็นเราไม่หลงร่อนคือร่อนหนาวคือหนาวหิวคือหิวไม่หลงไม่ไปถึงโกรธไม่ไปถึงโลภไม่ไปถึงทุกข์ถ้าไม่เห็นก็ไปไกายความหลงไปไกไปายเป็นชีเลตัญหาลาค่ะเป็นทุกข์เป็นโทษไป อยู่กับตัวเองแล้วไม่พอไปถึงคนอื่นถึงวัตถุอื่นถ้าเราไม่เปลี่ยนตั้งแต่ต้องต้นจำวันหลงเพลิอเห็นมันหลงรู้ขึ้นมากรมหลงไปไม่กลถ้ารู้ก็กลายเป็นปัญญาถ้าไม่รู้กลายเป็นปัญหาจากความหลงเนี่ยทุกข์ก็หมือนกัน ถ้าไม่รู้ไม่เห็นกายเป็นปัญหาถ้ารู้ถ้าเห็นกายเป็นปัญญาโกรธก็เหมือนกันโลภก็เหมือนกันมันก็แ ก, ก้มกมกไม่ยาก <c oughs> <c oughs> ไม่มีองค์ประกอบที่หนึ่งที่สองวัตถุอันห น, นึ่งัสองเป็นเรื่องอันเดียว <c oughs> คือมันอยู่กับเราเท่านั้นเอง แล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปแล้วกวาหลงครั้งสุดท้ายขวาทุกข์ครั้งสุดท้ายขวาโกรธครั้งสุดท้ายนันก็ไปไกลเป็นมากเป็นขนเนือการเกิดเจ็บตายเนื้อการเกิดการจก่การเจ็บกันตายได้เาะเราก็เป็นทุกข์ตอนที่เราได้สาเทพบุตรจำแน้กออกลูก เวทนาลูกก็เป็นทุกเวทน า, า ก, ก็เป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกตั้งต้นรูกมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกผู้ของไม่เที่ยงของลูกเป็นทุกผู้ของไม่เที่ยงของทุกอะไรตา่างๆในความไม่เที่ยงก็เป็นทุกในความเป็นทุกก็เป็นทุก เป็นผู้สูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเราเคยทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเคยทุกข์เพราะความเป็นทุกข์เคยทุกข์เพราะการพัดพาจากของล่อของชอบใจเคยทุกข์เพราะปะาตรายึฉีงใดไม่ได้เึีงนั้นเคยทุกข์เพราะความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแข้นใจก็ออกมาเป็นทุกข์ ทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีเราไปไม่เห็นผิดไปเองอันความันทุกไม่ใช่เป็นทุกมันเป็นปัญญาถ้าเราเห็นตั้งแต่แต่มันหลงไปเบื้องต้นไปเอาปัญหามาเป็นปัญญาไป เห็นความเป็นเที่ยงก็เป็นนิพพานได้เห็นควบมเปนทุกก็เป็นนิพพานได้มันจะเหนือการเกิดเจ็บตายมันต้องมีแ น, น่นอนการแจอการเจ็บกา ร, กา ร, การตายเราไมแก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นควาแก่ไปได้เห็นแล้วรู้แล้ว มความเจ็บไข้ธรรมดาจะลงค้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รู้แล้วไม่ออกมาเป็นทุกเวลาเห็นที่ไรก็ลาเฉลวยไว้ก่อนแล้วอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่ตัวตนอันนี้มนเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งไหนไม่ใช่ตัวตนสิ่ง น, นั้นไม่ คนยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราทํานาไว้ก่อนแล้วนี่อะไรขึ้นมาเราทํานาไว้ก่อนแล้วตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความันทุกตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนหมดทุกอย่างในโลกนี้นั่นเป็นเ <c oughs> จ้ามันลักษณะเสมอกันหมดถ้าจะมองถึง อดีตที่ผ่านมาอย่างที่นี้อะไรที่มันหมดไปมันก็หมดไปแล้วม่เคืนมาแล้วเฉียงเสือคลองลองก็หมดไปแล้วเฉียงแก้งกวางล่องก็หมดไปแล้วเฉียงช่างหรือหอกโล ก, กันก็หมดไปแล้วเฉียงเหล่ไหลก็หมดไปแล้ว โซปโนก็หมดไปแล้วจากรจัน์ก็หมดไปแล้ ว, กก แ, ลวแต่ก่อนเรื่องผลเนี่ต้องงมไปหมดเลยในป่านะโจปโนตอกเวลาเราด้วยล่องแต่เวลาปยาโลก็ล้อง ไก่ฟ้าพยาลก็ร้องตอนจะนอนเฉียง ม, มันคุยกันโรน่าโลน่ลจาจังไปทั่วทั่วไปมั น, นมันเลยเจ็บหายเพราะมันไม่รู้จักรักษาตัวมันกน็ล่าสัตว์ก็ามาดักฟังเวลามันร้องที่ไหน แล้วก็จําที่หมายแรกนาฟังตอนเย็นตอนค่ำก็ค่อยๆไปเห็นลันนอนเป็นหมู่ก็นอนเป็นหมู่เขาก็ข้ามมาเวลามานอนหลับเขาก็มาค้องออกมาค้องเอ า, า, อเอาดึงต้นลงมาดึงตัวนี้ลงมา มันไม่หนีมันไม่ตื่นถ้ามันได้นอนแล้วมีเจ็บได้เจบมีเจ้าไหลได้เท้านั้นเอามาหมดตอนเดียก็ออกเป็นตัวตายเอาถือคนเดียวไม่ไหวต้องเบ็คดคอหรือดคออ๋อตอนเช้าก็หงาไปขายก็อยารอ น้องตาไปเป็นธบาทยังเห็นเขาหาพยอไปขายเ<ป>จอ๊ยดายเขาขายตัวเท่าไร่ตัวละยี่สิบสามสิบบาทโอ้ยว่าบอกว่าเท่าตัวเป็นมาให้จะขายจะชื่อให้ตัวละห้าสิบบาทแล้ว่าเอาไม่ไหวนี่ก็มันก็หมดไปโซเปโนก็หมดไปเอไลก็หมดไป <c oughs> เป็นพ่ออะไรก็ไม่ชอบเป็นพ่อนกแสงแสวแสงแซวมาชอบชอบเวลาเลยไรบิน่ะมันฉกขึ้นไปเอ่ยบนอากาศมันก็บินโฉบกินบนอากาศบางทีก็เจ๊งกาเวลามันล้องอยู่เช่นกาขึ้นไปกินก็กวาดก็คานขึ้นไปกิน จิตที่อยู่ในเดือนเช่นจิ้งตีจิ้งโปมก็มีตะขราบก็ไปเียนมิตรศัตรูมันก็เลยไม่เหลือจิตประเภทใดที่โง่ก็หมดไปแล้วโงดไอ้ฉีกไอ้เหลืองเฉียดไอ้ฉีกไอ้เหลืองไอ้โงดไอ้หลืงไอ้อื่ง นอกอีลุมอยู่ในสะจะก่อนล่องตุ่มต่ำตุ่มต่ำนกกรเด็นแจ้งแซวกระบาลงแจ้งแล้วหลวงตาแจ้งแล้วหลวงพ่อแจ้งแล้วหลวงพ่อแจ้งแล้วนกกระบา ในนี้ก็หมดไปแล้วรลูกเห็ดผลดายนกกัดังกุโลกพยาดงล่องหมกับเสียงดังตัวตรงเหมืนอนลมพงลมพงหล่อตู้ฮูฮูแต่ น, นี้ไม่มีแล้วหมดไปแล้วชีวิตตอนนี้ไม่เหมือน สี่สบห้าสามสิบสี่สิบไปก่อนแม้แต่เราก็เหมือนกั น, นตาก็ใช้สายตาไม่ได้เปหูใช่หูหไปได้นี่แต่ก่อนเมื่อแถงแรงมากแต่นี้อ่อนแอต้องต้องหมดไปแน่นอนเรารู้แล้วทำนายไว้ก่อนแล้วทำนายไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เหยืเชียองตั้งแต่อายุสามสิบปีสามสิบกว่าปี มันตอบไปแล้วแลนี่ความไม่เที่ยงตอบได้แล้วไม่เอาว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนี่ความเป็นทุกข์ตอบได้แล้วนี่การแก่นี่การเก็บนี่การต า, ายตอบได้แล้วเวลามันเกิดขึ้นมาเขาบอกว่ารูา้แล้วรู้แล้วนาเป็นโรค ก, ก, ก็เนื้อในตั บ, ตบหมอบอกว่าง่ไม่มีราาักษารู้แล้ว โรคบางอย่างรักษาได้โรคบางอย่างรักษาไม่ได้หม อ, อเยกบอกยี่หนึ่งว่าถ้าน้ามันเกิดจากคนโตเร็วลําคอกระจาบโซตับรักษาได้รักษาได้ก็รู้แล้วโรคบางอย่างรักษาได้โรคบางอย่างรักษาไม่ได้ก็มา ไ, ได้กระทบกระเทือนทางจิตใจจิตใ จ, จ ย, ยิ่งเข้มแข็งมาก ข่าวที่มันเห็นของกริงที่มันเกิดขึ้นมันเฉลยไว้ก่อนแล้วมี่เราทํางานไ ว, ว้ก่อนแล้วพผู้เจ้าพาลูกเรื่องนี้ไปแล้วแม่แต่พระพุทธเจ้าก็ปฏิพนเพราะเรื่องนี้ใครๆก็ต้องเป็นอย่างนี้เดาจึง น, ม, นมีคําว่าเกิดว่าเจ็ว่าเจ็บ ว, ว, ว, ว่าตาย ก็เห็นมันเป็นธรรมชาติเราไม่ตายเพราะความตายเราไม่เจ็บเพราะความเก็บต้องไม่ทุกข์วามทุกเราไม่โศกความโศกไม่เอาชีวิตแต่ให้ใช่ให้เป็นโศกเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตถ้าไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนี่คือชีวิตถ้าอย่างหลงอยู่ไม่ใช่ชีวิตถ้าอย่างทุกข์อยู่ไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันต้องไม่เป็นอะไร ยังจะเราว่าชีวิตยังจะเราว่าภวฌันดูดพ้นจากทุกอย่างที่อยในกายในใจนี่ถ้าเราไมา่ศึกษาก็มีแต่บ่วงมีแต่พาละหนักขันดังหน้าเป็นของหนักเพราะเราไม่รู้อ่ น, อนก็ไม่รู้เราล้น หนาวก็ไม่รู้ันเราหนาวทุกก็ไม่รู้เราทุกสุข ก, ก็ไม่รู้เราสุขเราเป็นผู้สุขเราเป็นผู้ทุกเราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้หนาวเราเป็นผู้เก็บเราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียะอะไรเอามาเป็นทุกข์อุปทานยึ ด, ดน้าเราเห็นเราก็มันก็ไม่ใช่ <sigh. S 1> เป็นมันก็ต่างกันอยู่ แต่ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์สัจธวรมกายก็แยกไปแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับกายเห็นสัจธวรมอะไรที่มันเกี่ยวกับจิตสัจธวรมอะไรที่เป็นธรรมเป็นความงงองหัวโดน เป็นความคิดพงซ้อนเป็นความสงบเป็นความพงซ้านเป็นความสุขเป็นความทุกข์เขาเกิดจากธรรมก็รู้แล้วเป็นสัจธรรมมันไม่มีอะไรติดมีแต่เรื่องปวดปล่อยไปมันจะไม่เหนือเกิดแก่จะตายได้ไงเรื่องเล็กน้อยม่านเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมันคิดเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องศิลปะเป็นเรื่องกีฬาของชีวิตของเราการเจ็เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ได้ไหมเหมือ น, นหน้ามือหลังมือนี่อันไหนที่เป็นเรื่องทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ว่าแต่เรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายในโลกเนี่ยที่เป็นความทุกข์นั้นมันขยันตรงนี้มันใส่ใจตรงนี้ มันไม่ทําไม่ช่เฉยตรงเี้มันแค่กรรมไม่ความทุกข์เป็นทุกข์แน่นอนมันแค่กรรมได้เด็ดขาดตัดกรรมตัวนี้ได้เด็ดขาดนั้นจึงศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณค่าของกรรมาฐานเราจึงว่าเปลี่ยนกรรมร้ายเป็นกรรมดีเนี่ยจะต้องรับกรรมไปเช่นนั้นเลยคิดของเราเราหลงก็ให้หลงอยู่นั่นเราทุกข์ก็ให้ทุกข์อยู่นั่นล่ะ แลาโกรก็ให <oger> ้โกรกนะเวรักก็รักด้านดำเวลาศก็สุขด้านเหลือ้วามศึมันก็เป็นสังขารความทุกข์มันก็เป็นสังขารบุญญาพิสังขารสังขารคือบุญบุญคือความศึกปุญญาพิสังขารสังขารคือบาปบาปก็เป็นสังขารคือทุกข์อเนินชาพิสังขาร สังขารก็นเนนชายังไม่สุขยังไม่ทุกข์มันที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ได้อยู่อยู่ตรงอยู่ตรงที่พร้อมจะเป็นเรียกว่าเนนชามันพร้อมจะสุขได้พร้อมทจะทุกข์ได้อย่าพึงประมาะแต่ตอนนี้เหมือ <c oughs> <c oughs> นงูมันล่าสัตว์มันทําท่านอน แม่กระดูกกระดิกนั่งยาประบาดบ้านล่ล่าสัตว์มาไล่กินอาหารเพราะมันงายาสาถ่ยคิดเลาอน่อาเนานชาวิสังขารยัง ม, มีมาจาอยู่ยาหลงยาประมาดถ้ามันโอคาบก็เอาบางทีทำาปไปแล้วโอ้มัน่าจำไหมเลยเรา มันมีได้บางคนต้องจะมีสติไว้ก่อนเห็นมันอีกอันนันชาก็เห็นฉุกก็เห็นทุกก็เห็นแม้แต่อุเปขายังยังพ้นไปนะฌานสมาบัติออเปขาเอตัคตาอุเปขายังละไปนจนไม่มีอะไรเหลือ สุกคนลาไปทุกห์ละมีสติร้วนๆเนาะจึงต้องหัดเองเราก็เป็นเพียงแต่เป็นนี่เป็นเพื่อนกันบอกกันว่านี่มันเป็นอย่างนี้ในชีวิตเรามาดูชี้มาดูาดต้องแสดงมาให้เราเห็นมีสติดีๆจะเกิดความหลงขึ้นมา นั่งอยู่ดีๆก็เกิดความสุกนั่งอยู่ดีๆก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามันจะแสดงเราจะได้เห็นมันมาดูมันมันแสดงหลายอย่างแปดพันสี่พันอย่างกานเกิดจักรใจเราแน่แวเราจะมาศึกษาถลงศึกษาคือถลงย่อยย่อยออกัอนถูกอันโศกก็ย่อยออก อยให้เป็นรุ่นแม่ก้อนทุกก็ย่อยออกอยากเป็นรุ่นแม่ก้อนเากะหลงย่อยออกเอาไปบางมันไม่มีสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมันเป็นอุ ป, ปทานที่มันหลงเข้าไปต่างหากของอย่างหนึ่งเราสุขคนหนึ่งเขาก็อยู่เฉยของบางอย่างเราทุกข์คนอื่นเขาก็เฉยเฉยมันสมมุติบัญญัติเป็นอรมกรรมฐานถ้าเราศึกษาปาจะเห็นหมด เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปทุกข์เห็นนานทุกข์เห็นรูปโลกเห็นนามโลกเห็นสมมติเห็นมัญญัติเห็นปรมาภิ์เห็นวัตถุอาการเห็นฉันในสมาี่เห็นปัญญาเห็นโกชลดะโกชลดูมัก เป็นทางไปสะดวกไปเห<ป>มือนเราเรือนทางเ <c> ห <oughs> มือนขับรถทางเตี่ยวเหมือนขับรถทางกทจรขับขันติดขัดตะดะดกาตวกก็วิ่งเอาวิ่งเอาได้สะดวกได้ตึกกรรมฐานเหมือนเป็นเชนั้นถึงเขาสะดวกก็สะดวกจ ร, จริง เขาเคยพูดว่าเมื่อกเราเดินเข้าไปในที่ประตูไฟฟ้าดีหมดเขาเื่นสนามนดินก็ เ, เดินเข้าไปมันก็เปิดประตูให้ไม่ต้องไ ป, ไปใช้แรงเปิดมัน<ป> เ, เปิดเอง เช่นถนนไหลทางไหลเวลาเราขึ้นเหยียบก็ไหลเปียนถ้าเราลงมันก็หยุดถ้าเราขึ้นเหยียบมันก็ไหลเปมันสะดวกฉินสมาธิปัญญาทําให้เกิดสะดวกถินช่วยสมาธิช่วยปัญญาช่วยเป็นธรรม รักษาให้ตกแปลงที่ยั่วไม่ได้รักษาเราศิลธรรมรักษาผู้พิทามทำย่อมรักษาผู้พิทามอยู่เป็นนิจทำย่อมรักษาผู้พิทามอยู่เป็นนิดนั่นเป็นนั้นถึงโอกาสมาก็สะดวกคำว่าทุกข์ไงทาไงก็ไป็มีแน่นอนคําว่าหลงทําไมก็ไม่เมแน่นอน ได้ลงเป็นไปไม่ได้ขมขืนเกินป่ายใจสุขกทุกมันข่นขคนคมขินเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก่อนกรจงนใส่ตอนนี้มาออกเหมือนผู้ใหญ่แต่ก่อนเป็นเด็กกระโจนลงใส่ชีโคนชีโคนตรงไหนจะลงไปเหยียบไปลุย แ, แล้วแต่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ลองไปเกลียดมันจกปกเป็นภวจันร์บริชุ์นี่เรียกว่าประพฤติธรรมอภิสูตรคำสอนขุเจ้าลองดูพวกเราเราก็เป็นเป็นเพื่อนกันมีประโยชน์พ้นโทษพ้นทุกข์แค่กรรมได้จริงกรรมฐานเนี่ย ต้องแก้กันทุกคนต่างคนต่างแก้เราหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงนั่นเท่ากับรอช่วยคนอื่นทั้งโลกช่วยหลายอย่างไอ้เราโกรธเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธเวลาเราทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์เราเปลี่ยนตัวเราก็หรือว่าช่วยคนอื่นทุกคนร้องต้นที่ตัวเรานับหนึ่งจากตัวเรา ตางคนต่างลอง้นต่างคนต่างนับหนึ่งปัญหาก็จบตันทีน่าตะเบียดเบียนตนก็ไม่ทำคิดก็ไม่คิดจะเกิดอะไรขึ้นต้อมีสติเป็นเจ้าของชีวิตไม่เป็นลายกับลายไม่แต่ทำหน้าที่ขนขวายเพื่อประโยชน์เพื่อกลูนตกโลกอะไรผิดจากจะบอกอะไรถูกก็อยากจะบอก ความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องเปลี่ยนได้โยกความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้อ ง, องให้รู้ไว้ไม่ใช่บากแผลขำเวอลาใอดที่มันทุกนั่คนควาไม่ทุกข์ก็มีอย่าหมดเนื้อหมดตัวกับความทุกข์ถ้าจะยินเอาไว้ นไปทำลองดูมีกำลังสักหน่อยมีความเดิสักหน่อยมีศรัทธาสักหน่อยแก่ก้าสักหน่อยในเวลามาทุกข์มาทุกข์ตื่นลองรูกแก่ก้าอยู่ดีจะทุกขนะ์เดินอยู่ดีจะมาทะเลาะ ก, กันเลยอยู่ดีจะมาโกรกันเลยนะยิ่งเราไม่ครอบไม่กวอนะจะโกรกทะเลาะกันเพราะรูกันโอ้อยู่ดีเราจะโกรกกันเลยทะเลาะ ก, กันเลยนะ เป็นไปได้ยังไงตองพวดของจริงออกมาเสีชยชวนกันคิดเรองนี้ลองดูเสียสมมติผัวเมียจะทะเลาะกันเออเราก็อยู่ดีจะไม่เรื่องอะไรทะเลาะกันเลยเรื่องแค่นี้ละ่ะเจ็บไปไม่ได้ดอกยุดะจะทิ้งกันที่ลูกที่เมียเป็นไปไม่ได้หรอยุดหลองฉุ ก, กคิดอย่างนี้ลองเอาแปลงก็เย็นลงเย็นลง อาจจะเป็นดีเป็นบทเรียนที่ดีอาจจะปฏิทูพุทโธเห็นโทษเห็นภยัยโตหยุดนก็ไม่เหมือนมากไม่หยุดหรือกับรถที่วิง่งรถวิ่งก็ต้องหยุดเป็ น, ปนชีวิตเราที่มันหลงก็ต้องหยุดเป็นมันโทษ ก, ก็ต้องหยุดเป็นมันโกรธต้องหยุดเป็น ถ้าหยุดไม่เป็นมันก็อันตรายเหมือนรถ้าวิ่งแล้วมันหยุดไม่เป็นอันตรายต้องซ่อมนี่เราป่ะหัดซ่อมหัดเข้าฟิตเข้าอู่เวลามันหลงให้มันรู้ซ่อมแล้วแล้มันทุกขให้มันรู้ซ่อมแล้วซ่อมได้ตอนไหดีได้อน ถ้าตัวนี้ดีเราอันอื่นก็ค่อยดีไปอาศัยได้เราก็อาศัยชีวิตเราได้คนอื่นก็อาศัยได้เนี่ก็ร้อนตาสตา์ไปอยู่ภูเขาทองสองคืนถ้าโยมมาจำศีลหลายชาวบ้างก็มาก ให้เราสมควรเจรลากัรพากเพิมกัน